อาทุมายังพันเตวิสุวิสุลักขาายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุอิยัมปิมายังพันเตวิสุวิสุลักขาายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาอิยัมปิมายังพันเต วิสุวิสุณักษณะท า, ายะติสระเนนะสหปัญจศีลามิยาจามะต่อนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะขออธิบายหรือกล่าวเรื่องของศีลให้พวกคณะัท ธ, ธาญาริจอมได้รับทราบพอสังเขต โดยมากครูบาอาจารย์ไปในสถานที่ต่างๆที่หลวงพ่อเองเคยไปในงานร้อยท้งร้อยเกือบจะว่าอย่างนั้นเมื่อญาติโยมกราบราธนาขอสินพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าท่านก็ให้สินทันทีแต่คิดว่าเข้าใจว่าญาติโยมคงจะรู้จักเข้าใจเรื่องของสินดีแล้ว แต่ตาไม่จริงหลวงพ่อยังมากลิ่งใจอยู่ว่าจะเข้าใจจริงส่วนลึกซึ้งของศีลแน่หรือเปล่าเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่มีผู้ใดอธิบายเรื่องของศีลให้แก่ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ฟังให้ชัดเจนมีแต่ว่าคงจะรู้แล้วเพียงแค่นั้นไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ ข, มหขโมยทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในการม ไม่ให้หมุสาไม่ให้ดื่มสุราเพียงแค่นี้คงจะรู้มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงสินห้าท่านกองคงจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงไม่ได้อธิบายเรื่องศินมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสำหรับพวกพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศินนั้นเพราะอะไรทำไมมีคุณค่าอย่างไรคงจะไม่มีใครอธิบายหรือสัทธาญาติโยมก็กคงจะไม่ได้ หาคำอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านั้นอีกเพียงแต่รู้ว่าศี่ห้านั้นคืออะไรเพียงแค่นั้นและศี่ห้าเป็นหน้าที่ของใครใครจะเป็นผู้รักษารับปฏิบัติแต่ตามไม่จริงสี่ห้าของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายโดยเฉพาะคือศินของพระสินของสำมะเนรอีกอย่างหนึ่งไปสําหรับ สินห้าเนี่ยคือคือเป็นศินของคราวาสญาติโยมหญิงชายนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังแต่เริ่มแรกว่าก่อนที่จะให้สินหลวงพ่อจะพาเป็นผู้นําว่านโมสามจบน้โมตัะสะพระคขาวาโตสะก่อนนะเมื่อว่านโมสามจบความแปลและความหมายของว่านโมนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือ เวลาเราจะรับสินของพระพุทธเจ้าเราต้องนอบน้อมบร ม, มครูต้นศาสราต้นศาสนาที่บัญญัติศินให้พวกเราได้รักษาเรานอบน้อ ม, อมกราบพระคุณของท่านซะกอ่อนจึงว่าณโมสมจบจากนั้นกับพุทธท า, างธรรมังสังขังสระนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสวงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดูตียามปีพุทธท า, างธรรมังสังขงังสาระนางคัตฉามิ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 ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามิข้าไปเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ทั้งที่ห้ามแล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติเท่าที่ควรเออก็มีอยู่บ้างยกตัวอย่างก็คือหลวงพ่ออินนี่แหละเ่อกี้เถอะคนแรกไม่ฆ่าแน่แน่ว่าเมื่เ้เถอะเออแล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าจึงมัญญัดไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเหตุไรทำไม พระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีคือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สาคณาญาติของใครใครก็รักสงวนห่วงเห็นเพราะนั้นถ้าเราไปทำร้ายเขาไปทำลายเขาไปเบียดเบียนเขาเขาก็เสียอกเสียใจทั้งวงสังสกุลของเขาถ้าเขามาทำร้ายเราเราเสียใจใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่เราก็เสียใจพรายนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนว่าอย่าทร้ายกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าฆ่ากัน อันนี้คือสิน ข, ข้อที่1ข้อที่2องอธิ น, นาทานของของเราเร OK าก็รักสังวนห่วงแหนจะเป็นรองเท้าจะเป็นของใช้ไม้สอยอะไรก็ตามรถ ล, ลาม้าวิ่งอะไรก็ตามถ้าเป็นของเราเราก็รักสังวนห่วงเห็นถ้าของเขาล่ะของเขาก็เช่นเดียวกันกับของเราไม่แพ้กันถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าขโมยของกันและกัน สินข้อที่3ามการ ม, มีชีวิตสาจาราเวรมณีสามีพันยาลูกเต้าเล้าหลานของเขาเขาก็รักสงวียนห่วงเห็นถ้ามีใครก็ตามไปล่วงละเมิดเขาเ อ, อล่วงสิทธิ์ของเขาเขาก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าเขามาล่วงละเมิดเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สอย่าไปล่วงละเมิดเให้ครบรสจึส่งกันและกันอันนี้ข้อสินข้อที่3ข้อที่สมุสาวาาเวรมณี ห้ามไม่ให้พูดปดพูดโกหกถ้าชอบพูดโกหกชอบพูดปดแล้วไม่เป็นที่ไว้ใจไม่เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับคนทั้งหลายถ้าเราเขามาโกหกเราเราก็เสียใจถ้าเราไปโกหกเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติสิ่งข้อที่4ี่พระพุทธเจ้าตัดเป็นพระบาลีว่าบุคคลใดก็ตามชอบโกหกทั้งที่รู้ร จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือพระพุทธเจ้าจันตรัสเอาไว้นะวันนั้นพวกเราให้คิดดูกันแล้วกันสินข้อมุสาไม่ใช่ของเล็กน้อยสินข้อสุราสุราเมรยะมัชชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเชื่อว่าไม่รักษาตัวไม่รักษาลูกเมียไม่รักษาทรัพย์สมบัติ ไม่รักษายศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองแปลว่าปล่อยปะละเลยเพราะคนขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้หลายๆอย่างฆ่าคนอื่นก็ได้ขโมยของคนอื่นก็ได้ลาลาบละล้วงลูกสามีพัญญาของใครก็ได้มุสาก็ได้เลวมุสาเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นสินข้อที่ห้านเป็นอันตรายตกข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สข้อที่สด้วยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย นึกหลับตาดูก็แล้วกันว่าสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าใหม่มีประโยชน์ไหม่ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกต่ถ้าหากว่าพวกเราขาดสินห้ามากๆกโลกของเราจะเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อเห็นคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ลูกหลานรุ่นใหม่เห็นคนเข้าวัดเข้าวาคนไปรักษาศิน ก็เยอะหยันถากทางในหยิตในใจคล้ายๆกับว่าเนี่ยไดยโนเสาร์เต่าล้านปีลักษณนะนัคนมีศีลมีธรรมแต่ตามไม่จริงถ้าถามความลึกลงไปแล้วคุณไม่ชอบศีลศีลห้าใช่ไหมคุณไม่ชอบศีลธรรมใช่ไหมคุณไม่ชอบศีลห้าใช่ไหมในเมื่อคุณไม่ชอบศีลหา้าคุณชอบอยากจะให้คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าแม่คุณใช่ไหมหรืออยากจะให้คนอื่นขโมยของคุณใช่ไหมหรือว่าอยากจะให้คนอื่น ทำปูยี่ปูยำลูกหลานของคุณใช่ไหมหรือจะให้คนโกหกใช่ไหมหรือจะให้คนดื่มสุราทั้งบ้านทั้งเมืองอารถมาชนกันเล่นตายเกินไปใช่ไหมทุกคนก็คงไม่ชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าให้พวกเราคิดดูก็แล้วกันมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากตกผู้ที่รักษาศินเพราะฉนั้นพวกเราไม่ควรหัวเราเยะถ้าคนขาดสินมากๆนะเดือดร้อนวุน่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่า ศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรเพราะนั้นพวกเราถึงจะรักษาจากชั่วระยะหนึ่งเฮ้ยช่วยช้างกระทบหูช่วงูงแลบลิ้นก็คือศีลของพระพุทธเจ้านะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นำให้ศีลที่นี่นะโมตัสสะปะโคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ<ม>ัสสะเมืม่อศรัทธาญาติโยมรวมกันเสร็จแล้ว ครูบ า, าจารย์ก็จะทําพิธีซักอเิจานะซักผ้าบางสกุล เ, เมื่อสักผ้าบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรนะเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะประพรมน้ําพุทธมนเดียบลูกพ่อจะประพรมน้ําใจซะก่อนอยังค่อยประพรมน้ำพุทธมอน์อีกรอบน ะ, อ, ะอันนี้คือพิธีงานในวันนี้ ต่ตอนนี้ไปถ้ารวบรวมทางนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็พร้อมกันกับหลวงพ่อก็จะกับพระสมฆ์จะชักผ้าบางสกุลนะอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ลงลับไปพอลงลับผู้คณะรถไฟก่อจะมาถึงพวกเราเนี่ย้าจะว่าไปแล้วลุ่นปู่รุ่นทวดลมหายตายจากบางทีท่านอาจจะโอ้เป็นห่วงรถไฟยังไม่ได้ไปไหนก็ได้เพราะนั้น เออพวกเราเป็นลูกเป็นหลานก็เออเอ้าลุนปูลุนตายรถไฟของเราพอขนาดนี้ละเออจะไปชูสวรรค์สั้นพงก็ไปได้เนอะทีนี้เนอะตบบุอุทิศส่วนกุศลให้เอ้าพร้อมนะยางพร้อมแนะล้หลวงพ่อจะรักบังสกุลนัตตินี่นะเอาปโนมมือนะปโนมือ น, ะออนอนะ่บุตรทิศสวนกุศลในใจนะ อนิจจาวตสังขาราอุปปนาวายธรรมิโนอุปปจิตวานิโรจนติเตซังบูปะสมุสุโคซาเปสตามารันติจัมาริงสูจามาริสาเลตาเทวาหังมาริสามินาติมิเอตสังไซโย แล้วตอนนี้ไปเตรียมกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลก่อนที่จะกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลหลวงพ่อจะทําความเข้าใจและอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเป็นที่เข้าใจซะก่อนจะค่อยเตรียมกวดน้ําอุทิศคือวันนี้พวกเราคณะรถไฟทั้งเก่าทั้งใหม่แต่ถึงยังไงก็ได้อยู่กับรถไฟของพวกเรา ได้เลี้ยงชีพกับรถไฟของพวกเราจนท่านกเกษียณอายุเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่พวกลูกหลานทั้งหลายที่ยังทํางานอยู่ก็สืบทอดกันมาเป็นลำดับแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นรถไฟของเราเดินในถนนวิ่งในถนนก็คงจะเหยียบสัตว์สารราสิงเหยียบคู่เหยียบคนชนคู่ชนคนตลอดถึงผู้ที่บริหารรถไฟตั้งแต่เริ่มแรก จนมาถึงยุคของพวกเราในยุคนี้ถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็ไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะอยู่ได้ช่วฟ้าดินสลายเมื่อท่านตายไปแล้วบางทีท่านอาจจะมีห่วงอะไรในการเป็นอยู่ของท่านอาจจะบกวนเวียนในวิญญาณของท่านเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังครบรอบหนึ่งปีก็ในพร้อมกันทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศล ถึงเปรตญาตหรือว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นถ้าว่า ด, ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอยู่ณสถานถิน่นใดที่ใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราคณะรถไฟลูกหลานได้ทําบุญในวันนี้และก็ขอให้เมื่อท่านได้รับแล้วก็ขอให้เจริ ญ, ญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขขาภละถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่กขขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะถ้าหาว่าล่วงลับไปแล้วก็ ขอให้ไปกติสู่ความสุขดังที่ดวงวิญญาณท่านปรารถนาเพราะนั้นพวกเราในวันนี้ก็เมื่อคณะประสงค์อนุโมทนาให้พรยะถาวารีวาหานะพวกเราก็ลินน้ำอุทิศส่วนกุศลแว่ามีองค์ที่สองระบาดรัพพีติโยพวกเราก็ลินน้ำหมดพอดีประนมมือนะหลวงพ่อเคยพูดให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังจำง่าย ยะถาให้ผีสับพีให้คนนะยะถาวารีวะหานไปว่าลินน้ำมุทิส่วนกุศลเวลาสับพีเราก็ประนมมือรับพรนะในวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลตอนน่อไปหลวงพ่อจะกับคณะจะนําให้พรรับพร อ, อุทิส่วนกุศลยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะพรมน้ำใจซะก่อนจะค่อยขยับพรมน้ำมนต <c oughs> ์พระพรมปะพรมน้ำใจให้ล่มเย็นเป็นสุขซะก่อนถ้าใจไม่เป็นสุขไม่ไม่่มไม่มมเย็นแล้วประพรมน้ำกายมันก็เย็นแต่กายเพราะนั้นต้องปะพรมน้ำใจซะก่อนนี่วันนี้หลวงพ่อมาสามองนะเอาท่นีฟังนะท่นะีหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก่อนปะพรมน้ามนต์ วันนี้หลวงพ่อกับคณะได้มาที่บอร์ดหรว่การบริหารของรถไฟรถไฟเป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินไทยในวันนี้หลวงพ่อก็ไม่คาดคิดได้มาพบมาเจอก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลของศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อเหมือนกันได้มาพบมาเจอกัน แล้วก็มาเมื่อมาพบมาเจอกันแล้วหลวงพ่อก็อยากจะฝากความคิดแก่ท่านผู้ที่ดำเนินกิจกรรมของรถไฟเพราะรถไฟนีนเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งของร่างกายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศถ้าว่าไม่มีรถไฟจะรู้สึกกว่างั้นจ้ะพูดง่ายๆอย่างนั้นได้เพราะนั้นถึงยังไงยังไงรถไฟของเราก็ยัง ดำลงไปอย่างตุปัตตุเป๋ยยังไงก็ตามก็าคงจะคงชีพไปอยู่อย่างเนี้แต่ถ้าว่าหลวงพ่อว่าถ้าว่าข้าราชการหรือว่ารัฐบาลยุคไหนที่เห็นคุณค่าของรถไฟหลวงพ่อว่านั้นอนะ่ะยุคนั้นก็คงจะเจริญรุ่งเรืองอย่างต่างประเทศของเขาอย่างประเทศของเขาหลวงพ่อเองก็ไม่เคยไปต่างประเทศแต่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาเน้นหนักเรื่องรถไฟเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่า การขนถ่ายหรือการขนส่งสินค้าทางรถไฟเนี่ยมันได้มากแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยมากการบำรุงรักษาก็น้อยถ้าเราทำดีแล้วรถไฟก็เร็วอีกของเขาแต่ของเรานี่รู้สึกว่าต้วมเตี่ยมเต็มทนเพราะนั้นขอให้ลูกหลานอดทนไปก่อนนะอีกสักวันหนึ่งนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อเองมีความในใจอยู่เหมือนกันนะอีกสักวันหนึ่งนะ คงจะมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งเห็นคุณค่าของรถไฟแต่หลวงพ่อเองขณะอยู่นอยู่ป่ารงพงไพ่หลวงพ่อคิดมาเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ยังเห็นคุณค่าของรถไฟควรจะสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายมีน้อยถ้าหาว่าเราทําถนนหนทางเนี่ยดูสิสิ้นเงินไปเท่าไหร่ถ้าหาว่าทํารถไฟถ้าทําจบแล้วหลวงพ่อว่าจะใช้ไปนานเท่านานรถไฟของพวกเราถนนของพวกเราที่สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่เท่าไหร่ พวกรถไฟจะรู้ซึงถึงใจที่ว่ารัชการไหนที่เริ่มเริ่มรถไฟขึ้นมาพอน้นมาถึงจุดนี้ก็ยังรถไฟก็ยังเป็นเส้นเก่ายังที่เก่าจะอยู่ได้นานเท่านานเพราะนั้นพวกพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ทำงานรถไฟก็ขอให้ทำด้วยความสุดจิตทาให้ความทำให้ซื่อสัตย์ทำให้ซื่อตรง ให้ตรงต่อหน้าที่การงานแต่ ถ, ถึงจะเป็นยังไงก็ตามใครจะเป็นยังไงก็ตามแต่คุณงามความดีนั้นให้พวกเรานับหนึ่งจากข้าพเจ้านะใครจะเป็นจะคดจะโคง้งจะงอถึงขนาดไหนก็ตามเราก็1 น, น่งข้าพเจ้าจะเป็นผู้ซื่อสัตว์ต่อรถไฟพ่อข้าพเจ้าได้กินเงินของรถไฟอยู่กับรถไฟพ่อแม่ของข้าพเจ้าอยู่กับรถไฟ เพราะนั้นข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อรถไฟอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดอย่างนั้นเหมือนกับหลวงพ่ออินเนี่ยจะซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงใครจะไปนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามหลวงพ่ออินจะนับถือคนเดียวถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อหน้าที่การงานถ้าว่าพวกเราทําหน้าที่อย่างนั้นแล้ว เรื่องอย่างอื่นที่จะมีปัญหาที่จะตามมานั้นหลวงพ่อว่าคงจะน้อยมากถ้าว่าพวกเรามีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหรื อ, อสานักงานของรถไฟของเราเพราะนั้นขอฝากไว้กับทุกๆ ท, ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะถึงท่านจะเป็นข้าราชการบํานาญแล้วก็ตามถ้ามีข้อใดอที่จะมาแนะนาสั่งสอนลูกหลานก็ หลวงพ่อว่าควรจะให้แนะนำลูกหลานก็เหมือนกันถ้าว่าผู้เท่าผู้แก่ผู้ทรงคุนวุฒออิมาว่าเกา่าตักเตือนแนะนำพวกเราก็ควรจะฟังเพราะความรู้ความฉลาดนั้นไม่ได้อยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งท่านผ่านไปแล้วความรู้ของท่านก็ยังมีอยู่ท่านแต่มาแนะนำสั่งสอนมาแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องพวกเราก็ควรจะฟังนะพอได้ผ่านน้าร้อนน้าเย็นออมาก่อนพวกเราเออขอให้พวกเราให้ ต้อง อ, อตั้งใจทำงานอันนี้ก็จจนจะถึงปีใหม่นะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ถึงวันปีใหม่แล้วขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจดูปีเก่าที่ผ่านมาพวกเราทำอะไรไปบ้างคิดอะไรไปบ้างพูดอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามทำให้คนอื่นเดือดร้อนกระเทือนวุ่นวายมีไหมถ้าปีต่อไปข้างหน้าปี2550เนี่ย ข้าพเจ้าจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมคิดในสิ่งที่เป็นธรรมพูดสิ่งที่เป็นธรรมทาสิ่งที่เป็นธรรมในปีสองพนห้าร้อยห้นะี้คือให้มีความตั้งใจเอาไว้แล้วก็มองดูในอดีตปีสองพัพวกเราได้ทําสิ่งไหนไว้บ้างที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ให้เป็นบทเรียนของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราคิดไว้อยู่อย่างนี้หลวงพ่อว่า ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยคิดจะเลยปีไหนกับปีเก่าผ่านไปผ่านไปโดยที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขการกระทําของพวกเราก็หลวงพ่อว่าพวกเราก็คงจะหาความเจริญงอกเงยขึ้นมาได้ยากเพราะนั้น เ, เรื่องเหล่านี้ก็ขอให้พวกลูกหลานทุกๆคนคณะสัทธาทุกท่านที่ทาการงานอยู่ก็ให มีความมุ่งมัน่นมีความพยายามปรับปรุงแก้ไขการกระทำของพวกเราก็พร้อมกันก็อย่าลืมนะอย่าลืมศีลธรรมอย่าลืมบุญกุศลที่พวกเราจะสั่งสมต่อไปภายภาคหน้าพวกเราเกิดมาแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วอีกนานเท่าไหร่ต่อไปภายภาคหน้าไม่มีใครที่จะนับได้ว่ากี่เดือนกี่ปีต่อไปภายภาคหน้านี่ไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงเพราะ เหตุว่าพวกเราทุกคนพอเกิดมาแล้วอยอมมาโูษเขาเขียนวีซ่าไว้แล้วนะอพอเกิดขึ้นมาเขาก็เขียนวีซ่าไว้แล้วนางนี้นายนีเ่เด็กชายนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันนั้นวันที่ตอนนั้นเท่านีอา้อีกสักวันหนึ่งไม่รู้ไปเป็นวันไหนละเขาก็คงจะส่งวีซ่ามาให้เราเมื่อเราได้รับวีซ่าแล้วเราก็จะต้องเดินทางต่างประเทศด้วยกันทุกคน เพะนั้นให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งวีซ่าต้องมาถึงเราแน่พวกเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศกลับต่างประเทศแน่นอนไม่ต้องสงสัยปู่ย่าตายายของพวกเราก็เดินไปแล้วเพราะนั้นพวกเราก็คงจะเดินตามไปอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเดินไปก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ไม่รู้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่ สรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ตราสไปว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเนี่สิ่งที่ให้เกิดให้ตายนั้นพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านออกบวชไปอยู่ในป่าหลวงพงภัยถึง6ปีท่านไปพิสูจน์อะไร น, นี่ไปพิสูจน์ถึงกายและตายและเกิ ด, ต า, กดตายและสูนคือ ย, ยุคสมัยนั้นเขาก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพอตายไปแล้วอันไหนตายอันไหนเกิด พระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ถึง6ปีอยู่ในป่าไปนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกวันที่พระพุทธเจ้าได้พบผลทางนะพบผลทางที่ว่าผนทางที่พิสูจน์ผลทางพิสูจน์ในเรื่องนี้วันเดือน6เพนวันเดือนหกนะพระพุทธเจ้านั่งสมาธิาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก จิตพระองค์เข้าสู่ความสงบนะใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนาเมื่อเกิดญาณทัศนาแล้วระลึกชาติผลหลังได้ปุเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละถ้าวันตายแล้วศูญจะระลึกได้อย่างไงเพราะพุทองค์ยืนยันเลยชนิดปุเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จูตูปะปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย วิญญาณนี้มาจากไหนมาเกิดมาเกิดแล้วจะไปที่ไหนแหมพระ อ, องค์ก็รู้อีกว่าจูตูปะปะตะาตญาณอาสาวะคยญาญา ย, า ย, า น, ยานอย่างรู้ว่าพระ อ, องค์อันไหนที่มาพามาเกิดเนี่ยพาดวงใจดวงนี้ไปเกิดเพราะอะไรทําไมมันจึงเป็นนักท่องเที่ยวปวกปนเวียนเวียนเกิดเวียนตายในัตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดมันไปเพราะอะไรพระพุทธองค์ก็รู้อีกพุทธองค์กําหนดดูอีก ท่านบอกว่าอาวิชชาปัจจะยาสร้างขารานี่อันนี้ท่านบอกปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาปัจจะยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจะยาวาิญญาณังอวิชชาปัจจะยาสร้างขาราอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขาราปัจจะยาวิญญาณังสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงโสกะปริเทวทุกโทมนัสสุ รปลว่าการร้องให้พี่ไรยรําพันโศกเศร้าโศ ก, กาดูลเกิดมาจากตัววิชาคือตัวไม่รู้คือตัวกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะฉนั้นพระองค์จึงได้พิจารณาตัวเนี้บําเพ็ญตัวนี้ทบทวนดูตัวนี้พิจ า, ารณากันก้องดูตัวนี้ท่านจึงได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพ็นเรียกว่าอาสาวะขยะยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นอนันตกาล เพราะนั้นในวันเดือน6กเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม3มอย่างปุเพนวาสานุตติยานและลึกชาติหนหลังได้จดปะปะปะตูปปาทายานการจุติของสัตว์อาสาวะขยะยานยานอย่างรู้ว่าพรพุทธองค์หมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะฉนั้นให้พวกเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้เชื่อไว้เลยว่าตายแล้วเกิด ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วพวกเราท่านทั้งหลายพูดแบบง่ายๆแบบรวบรัดว่าไอ้คนที่ตายไม่เห็นมาบอกเราตายไปมากตัวมากไม่เห็นนํามาบอกอันนี้พวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดแบบนั้นแปลว่าคิดแบบปิดประตูกันความเชื่อของตนเองคือเราคิดดูกันแล้วกันว่าพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันนี่น่ ะ, ะให้เราคิดว่าเออเมื่อเราออกไปจากที่นี่แล้ว เราจะไปกินข้าวที่ไหนส่งกระแสจิตหาการด้วยสิพวกเราได้รับไหมมันไม่ได้รับเพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีเครื่องรับเครื่องรับของเราไม่มีไม่มีญาณทัศนะแต่ว่าพวกเรามีญานรัศนะส่งกระแสจิตไปได้รับอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอนุรุท ธ, ธะนะ่ยพระอนุรุท ธ, ธะส่งกระแสจิตพระพุทธองค์ก็ได้รับพระพุทธองค์ก็ได้รับกระแสจิตของใครต่อใครมากต่อมาก อันนี้เพราะอะไรเพราะพระองค์มีญาณทัศนะมียา น, ม, ยานมีเครื่องมือเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่มีเครื่องมือเมื่อตายไปแล้วจะได้เครื่องมือจากพยอมพบาลอย่างนั้นเหรอกองจะไม่ใช่อย่างนั้นมีแต่โยมพบาลเขาจะถ้าทำเจ้าทำกรรมชั่วใช่ไหมมีแต่โยมพบาลเขาจะโยนลงนรกเท่านั้นอะ่ะ เ, เจ้าไปทําคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาใช่ไหมถ้าว่าเป็นบุญกุศลก็ส่งขึ้นไปสวรรค์ ก็เท่านั้นที่จะมามีแก่จิตแก่ใจจะมาบอกญาติพี่น้องหนึ่งเพราะไม่มีเครื่องมือเอจะมาบอกพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่ออินกาลังพูดอยู่เนี่ยข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อลุงพ่ออินก็ไม่รู้เหมือนกันเอว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่ออแต่หลวงพ่ออินมีหน้าที่พูดกับพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามให้พิสูจน์ดูก่อนนะเหมือนกับไฟนะ่ะบางคนบอกไฟมันร้อนนะเราไม่รู้จักไฟแล้วมันร้อนนะถ้าว่าเรายังไม่เชื่อแล้วก็จับดูกันแล้วกันนะถ้ามันร้อนโอ้โหมันร้อนจริงๆเราก็จะได้รู้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าพวกเราอยากจะพิสูจน์ก็นั่งภาวนานั่งภาวนาจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราจะเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้อง แนะนำสั่งสอนอีกนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังนะรู้เฉพาะตนผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะรู้เองเห็นเองนะไม่ต้องสงสัยนะวันนี้หลวงพ่อได้แนะนำได้พูดให้แกแนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านนะได้มาร่วมการสร้างบุญกุศลในวันนี้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประพรมน้าพระพุทธมน เ, เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปเอาขยับเข้ามาใกล้ๆนะที่นี้นะ ทุกัน